สรุปแล้วเหมือนกันตายไปไม่เหมือนครับไอ้คําว่าเวทนากร้าในที่นั้นนี่ท่านหมายเอาอยัางไงไอ้กาหนดไม่มีสติที่จะประครองตัวเองได้ทําอะไรแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเวทนากร้าครับไม่รู้เรื่องไอ้ น, นีน่น่าจะใช้คําว่าเสียสติหรือว่าเป็นบ้าไปอย่างนั้นไหมไม่ใช่มันมีบ้าด้วยมีเวทนากร้าด้วยมันคนละข้อกันเลยไม่ใช่บ้าถ้าบ้ามันต้องนานใช่ไหมนี่มันไม่นานเดี๋ยวมันก็ หายหมดเวทนาเมื่อดีขึ้นมาอีกท่านเค ย, ข ย, ยไข่จนซักวะ ม, มันไม่ใช่ว่าไอ้เวทนาก้าเนี่ยเดี๋ยวมันมีตัวอย่างหรือเปล่าแต่ไม่มีตัวอย่างไม่ไมมันมีแต่บอกว่าพิกูจน์มีเวทนากา้ารในร่างฐานไม่ได้ขยายครับตรงเวทนาก้าเนี่ยไม่ได้ขยายแต่บอกไว้ว่าแบบ ไม่ไม่ใช่เสรรจมีมีคนเข้าใจอย่างนี้นะครับเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย่างสมมติว่าเวทนากาอย่างสมมดว่าเวทนากาอย่างข้อหนึ่งใช่ไหมครับอืออก็ไปทำแชมป์เสร็จเสร็จเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็เธอไม่ต้องอับอัดหรอกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผม ก, ก็เลยถามว่าไอเวทนาการมันเขาเข้าใจกันอย่างงี้เดี๋ยวครับใช่มีจิตฟุ้ฟงซ่านไง เดียผมผมเปิดผเปิดให้ดูเดี๋ยวเวทนาก้าจิตฟุง้งซ่านมีกี่ข้ออ่ะนีที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกจิตใจหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตึกนะสึกแล้วก็ตึกบทเป็นสมเนนสองแล้วนะมีกนจริตมีกนจริตนี่คือคือคือบ้าแล้วก็อะไรอะ่ะมีจิตฟุง้งซ่านนะครับแล้วก็กระสับกระสายพระเวทนา แล้วก็ถูกสงยกวัดเพราะไม่เห็นอาบาดถูกสงยกวัดเพราะไม่แสดงคืนอาบาดถูกสงยกวัดเพราะไม่สรารทิฏฐิอันลามกแล้วก็เอนี่ครบละจิตเท่าไหร่ล่ะนะอย่างอันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดแปดอย่างนะครับหนึ่งศึกไป 2, สองศึกและวบวเป็นสมณเนสามวิกลจริตนะครับสี่ มีจิตฟุงสส้งซ่านห้ากระสับกระสายเพราะเวทนาหกสงยกวัดเพราะไม่เห็นนาบาัตเจ็ดสงโยกวัดเพราะไม่ทําไม่ไม่ทําคืนนบาัตแปดเฮ้ยเจ็ดแปดได้ยังแปดไม่สละคืนที่ถีลามกนะครับแปดข้อใช่ไหมครับ <c oughs> มันมัน <c oughs> ไอคนกระสับกระสาย <c oughs> มันมันไม่มีอาดักรถะแก้ซะด้วย อาจรย์ภาษาไม่ไม่ได้แกในที่นี้งไงเขาบอกง่ายเลยคงไม่แกแล้วไม่มีเลยครับในภาษาเนีต้องในดีกาห น, น, น่าจะมีผมว่าน่าจะมีตรงนี้ขยายสักนิดนึงนะครับคําตรงนี้น่าจะมี <Okay. S 1> สะแสดงสแสดงว่าพวกเรานี่โง่ชิบเพียงเลย <Okay. S 1> บางที่ไม่ใช่โง่เนาะบางที่ไม่ใช่โง่ไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้ไม่ใช่เราคิดไม่ได้แต่ไม่เคยได้ยินวิธีที่จะคิดมาที่จะเปรียบเทียบ แค่นี้นะครับรู้อยู่ว่ามันฟุ้งซ่านเป็นยังไงแต่ไม่รู้อะเอาแค่ไหนอาการมันแค่ไหนแล้วแค่ไหนถึงจะกระสับกระสายพ่อเวทนาท่านพิษกสัตย์อยากจะจีบผู้หญิงเลยเกินแล้วก็ทนไม่ไหวไปจีบอย่างนี้เรียกว่ากระสับกระสายพ่อเวทนาหรือเปล่าหรือฟุ้งซ่านหรือฟุ้งซ่านหรือวิกลจริตพกระาายเเวทน ยังยังไม่มีกฎครับเออยังไม่มีกฎอ้าวแสดงว่าแลดสองข้อจิตพุ้งซ่านกับกระซับกระสายแต่ฟุ้งฟุ้งอ่าอ่าฟุ้งจัดอืมตรงนี้แค่อางถามาให้สองข้อเนี่เสรซเล่นนี่ครับศึกไปบวชเรนมีคนจะรินจิตฟุ้งซ่านกระซับกระสาย เพราะเวทนาแล้วก็มีอะไรครับอ่าสงยกวัดไม่เห็นนะบาทสองยกวัดไม่ทำคืนนะบาทสองยกวัดไม่สาทิฏอุคิจะกาสามแล้วกันครับ อ, อุอคิดตะกาสามอางั้นไปหากันมานะตรงนี้จิตฟุ้งสัานกับกับกสายเพาะเวทนา <c oughs> ในในฮะอืม เออแล้วก็เออเพราะว่าเวทนามันกล้าเหลือเกินเพราะแสดงว่า <c oughs> เวทนายังไม่กล้าไง <c oughs> เอามันจะไปยินดีได้ตอนนั้นถ้าเกิดเวทนากล้ามันก็อา้อาวแคบ ป, ปวดพันธ์อย่างเดียวก็มองหน้าผู้หญิงยั ง, งาากะยักษแล้ว <c oughs> เอเอกระดานวิสิต เามือพยาบาลครับเออนี่แสดงว่าไม่ไม่โดนไม่แล้มันจะมีความกำหนัดได้ยังไงตอนนั้นมันจะเรียกว่าอะไรมันจะมีความยินดีได้ยังไงวะตอนนั้นตัวนี้ที่เป็นนั่นคือมันยังไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ไม่รู้ด้วยว่านั้นผู้หญิงเออแล้วมันจะต้องขวันได้ยังไง อ้าวอันนี้ท่านท่านท่านบอกว่าไม่ไม่กล้องมาง่เลยครับไหนครับอันนี้ท่านบอกว่าไม่เป็นอมาะนะง่เลยครับใช่เลไม่ใช่ในที่นี้เปรียบเทียบกันไงอันนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อง์อมตะคือปริวาสของผู้ประพฤติอยู่ขณะนั้นใช้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นใช่ไหมครับวันนั้นสมมติเราเป็นวันนี้อ่าเธอประพฤติมาห้าวันเลิกําลังเริ่มวันที่หก กระสอบกระสายพร่ะเวทนาอย่างนี้ใช้ไม่ได้วันนั้นวันนั้นชื่อว่าไม่ได้ประพฤติปริวาติใช่ไหมครับเสียอาราตีเสียครับวันนั้น<อ>ใช้ไม่ได้ครับครับปริวัติกดีปฏิกิริากรดีมานัทกรดีคนแก่มานัทคนแก่อภานอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยครับอันนี้ในที่นี้เราหมายถึงตรงนั้นทีนี้ที่ถามถามหมายถึงว่าฟุ้งซ่านกับกระสอบกระสายเพราะเวทนายังไงไอ้กระสอบกระสายเพร่อเวทนานี่ ออย่างวิทยาไปบอกถึงตรงนู้นใช่ไหมตรงจับนูนไม่ความจริงไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ที่ใครจะมาจับหรือไม่อะไรใครจะจับก็ดีไม่จับก็ดีไม่เป็นไรไม่ต้องมาจับแต่วิทยนามันกล้าจนอ๋อคนสามค น, น, นมากอย่างนี้<อ>ใช่ไหมครับใช่เนมาอยู่กับวทยาแล้วอ่าคือตอนนั้นชื่อว่าประพฤติวัดไม่ได้วัดในวันนั้นลาธีในวันเสียไปแล้วหมายความอย่างงั้นเสียเสียหลักหัวทอง มีไรมีบงคนเป็นไหเป็นตอนที่อาจารย์ให้ให้พาไปหาหมอเอาวันหลังมาชั ก, ชกเอออย่างนั้นกักับกระบกระสายเพราะเวทนาแต่ตอนนั้นประพฤติเวลาอยู่วันนั้นใช้ไม่ได้ครับ อ, อย่างนั้นแต่ที่นี้จิตฟุ้งซ่านอเอาแค่ไห น, จ, นจิตฟุ้งซ่า น, น, นจิตฟุ้งซ่านอเอาแค่ไหนก็คงเหมือนกับ<ม>เหมือนกับที่ท่านอารีเทาเราผมฟังมาเดินมาถึงโอขอมีจงกรมที่จงกรมอยู่ไหนขอที่จงกรมหน่อยอะไรเี่อย่างนี้ผมว่าฟุ้งซ่านแล้วครับคือมันไม่รู้เรื่องมันเบอร์เบอร์แล้วครับ ในที่จงกรมในที่จงกรมพระ ก, กำลังบรรยายธรรมหรืออะไรขอที่จงกรมหน่อยขอที่จงกรมหน่อยอย่างนี้อย่างนี้ผมว่าฟุ้งซ่านแล้วจากนั้นนะครับแต่น้อยกว่านี้ไม่รู้จะขนาดไหนก็คงต้องดูอาการเอาละครับคงต้องดูอาการเอาว่ามันเป็นขนาดไหนก็ป ร, ปริวัติตรงนี้นะครับถ้ามีดีกาแล้วค่อยค้นกันอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าเนื้อความในดีกาคงยังจะมีอยู่อีก หรือในในอัจฉริยะอื่นนะครับในในกังขาวิตรณีนะครับไอ้อัจฉริยและดีกาของของปฏิโมกนะครับเพราะในในปฏิโมกก็มีสังขาดิเศษอยู่ใช่ไหมครับไ อ, ไอจ ะ, จ ะ, จ, ะจะอย่างนี้ครับถ้าถ้าสมัญตะนี่สมัญตะนี่อธิบายพระบาลีใช่ไหมครับขยายพระบาลีแต่บทที่ยังสมัญตะไม่ได้ขยายส่วนใดที่บท สมันต่ยังไม่ได้ขยายจะไปมีอยู่ในกังขาวิตรณีทั้งอัตถกถาและดีกานะครับจะไปอยู่ที่กังขาวิตรณีอัตถกถาโน่นนะครับเพราะกังขาวิตรณีเนี่ยเขียนที่หลังเล่มนี้มีพระมหาเถระขอพระพุทธโฆสาว่าขอให้เขียนอัตถกถาปาิโมกขอยเขียนอัตถกาถาปาิโมกควายิงอัตถกถาวินัยเขียนแล้วเล่ม น, นี้จมันต่ใช่ไหมครับเขียนแล้วท่านขอให้เขียนอีกท่านก็เลยเขียน เขียนก็นเลยยกเอาข้อที่ไม่ได้อธิบายในในที่เนี้ยไปอธิบายไว้ในที่โน้นนะครับลาเบลกันเลยครับพุทธคดสระครับพุทธคดสระเป็นผู้รวบรวมเรียเรียงเขียนขึ้นมานะครับอัจฉริยะไอ้กลางขาวิจารณีก็เป็นอัจฉริยะของปฏิโมกเฉพาะปาติโมกเลยเฉพาะขาบทเลยครับไม่ได้เกี่ยวกับวัดต่างๆแบบแบบอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้มีคันธ์ตะวัก ม, มีมีเกี่ยวกับอุปชัยวัดอาจริยวัดไอ้พวกถูกสง ลงสังกกรรมเออลงกรรมลงอะไรอะไรรวมๆไว้หมดเลยแม้กระทั่งสังฆนิเศษถ้าพูดเนื่องถึงก็ก็มีอยู่ปริวาสก็มีอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับปริวาสวัดที่ตรงนู้นก็เกี่ยวกับเฉพาะศิขาบทเลยเพราะฉะนั้นในที่นู้นก็มีมีเกี่ยวกับเรื่องสังฆทานิเศษด้วยนะครับที่ยังไม่ได้เขียนในที่นี้ก็ไปดูในที่นู้นถ้าดูในที่นู้นแล้วไม่ละเอียดก็ต้องกลับมาดูในที่นี้เอาไปปนกันเพราะท่านเขียนที่หลังครับท่านเขียนที่หลังเพราะบางคนเรียนทั้งหมดไม่ไหวก็เลยเรียนเฉพาะ สิขาบทแล้วก็เพื่อจะให้อธิบายสิขาบทก็ต้องดูกังขากังขาวิจารณีอัตถกถาด้วยดีกาด้วยคือเรียนย่อๆเข้ามาไม่ได้เรียนวัดอื่นๆด้วยอย่างนั้นก็เรียนเฉพาะตรงนั้นครับปัญญิงผมอ่านไปหลายรอบแต่วัดอื่นๆยังบางทีอ่านแล้วมันก็ยังไม่บางส่วนก็อ่านให้มันรู้ว่ามีอะไรอะไรอะไรแต่บางส่วนไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้ใส่ใจเมื่อเมื่อไปเจอปัญหาจึงรู้อออตรงนี้มีอยู่เราก็กลับไปดูเออจึงจึงเห็นความเห็นข้อที่ควรอธิบายที่คนเขาสงสัยไอตอนที่เราอ่านเราก็อ่านไปอย่างนี้ไม่สงสัยครับเพราะมันอธิบายไว้ละเอียดเลยไม่ได้สงสัยแต่พอไปเจอคัน้นปัญหาเจอคําถามหรือเจอคนที่เขาสงสัยเราก็นึงใจโอ้ตรงนี้อย่างนี้อย่าง น, างนี้อย่างนี้มีอยู่แต่จะพูดเอาไว้ยังไม่กด้เดี๋ยวดูก่อนแล้วดูแล้วก็ไปดูอ่าหาสงสัยทีนี้ก็เอออย่างนี้อย่างนี้เนี่ย มีหลายเรื่องครับในนี้ฟันยิงหน้าหน้าเรียนอสมรติทั้งหมดเลยไม่ใช่เล่มเดียวครับสามเล่มเรียนมันหมดเลยก็แต่กว่าจะเรียนหมดก็ต้องอ่านอ่านอ่านดูบาลีได้นะครับถ้าเป็นดูบาลีก็จู่ๆมาดูอย่างนี้ก็เมื่อใคยได้ได้ผลอีอะไรมันมาอย่างไงวะไ อ, อ้ต้นเรื่องความเป็นมาอย่างไงไม่ได้ดูเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีครับก็เดี๋ยวก็จะจับอเอาแค่ตรงนี้เองไม่ได้เอาไปบวกกับต้นเรื่อง เขาเอาเฉพาะสมันต์อย่างเดียวยเพราะฉะนั้นพระที่แปรแปกันแล้วลองไปถามสิครับบางทีตอบได้อย่างเนี้ครับแต่มันงาไงหรือให้เหตุผลให้มันหรือเราแย้งให้มันพิาดารออกไปเลย<ม>บางทีงงครับเคยกับมหาสมภัติที่มาเข้าปริวาสท่านบอกว่าตอนไปเรียนเราก็สงสัยเราถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเข้าก็ไม่เคยไปเข้าเหมือนกันทั้งหมดครับ <laughs> <laughs> อย่าว่าแต่นั่นเลย ทั้งวินยัยทั้งทั้งธรรมะนะครับผมไปเรียนวัชนณะาผมลงมาอยู่กรุงเทพปีสองเออเขาบอกว่าวัชนณาสอนนี้นะออลองไปเรียนดูว่าบางข้อบางอย่างเราสงสัยอยู่จะได้ถามผมจะถามก็กลัวก็เพราะผมไม่ได้สมัครเรียนอย่างนี้เพราะเราไปนั่งเรียนเฉยๆไม่ต้องลงชื่อก็ได้สมัครเรียนต้องบอกด้วยว่าเรามาจากไหนไห น, ไหนใช่ไหมครับ ก็ยังไม่ต้องสมาธิกว่าเป็นนั่งเรียนเวลาจะถามผมก็ใช้ใช้เนนบ้างคือคือเราถามเนนเนรก็สงสัยอ่าเนรสงสัยว่าอ่าสงสัยคเขางั้นถามอาจารย์นี่อ่าบางทีไอชีตุกตุ๊กมันนั่งอยู่ข้างหลังขผมก็นั่งอยู่ข้งหลัมันนั่งอยู่ริมนู้นผมว่าชีตุ๊กๆเ๊กชอบมาถามถามผมผมก็อธิบายมันฟังอธิบายมันฟังแล้วมันก็ไปถามอาจารย์เพื่อเทียบว่าผมบอกถูกกับเปล่า มันก็ไปอันนี้มันก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ก็ตอบมาไม่ตรงกับผมมันก็แย้งไปเออใจชี้นี่มันเก่งเหลือเกินว่ามันใครบอกใครบอกอผมไม่เขาบอก <c ười> คือตอนนั้นแม่ใหญ่ก็รู้ว่าเราเราเรามาจากทางพระโอษมั้ยครับไม่อยากให้รู้ยนมันหลังๆแกรู้เหมือนกันเนะ่ยแกอธิบายมีมาหาอะไรก็คนมอญเอ ประโยคเกา้าแกอธิบายจักกุบาลครับจักกุบาลเนี่ยยังมีทิฏฐิอย่างนี้อยู่อีกไม่น่าเป็นพระนิยายอ <c oughs> เอ้ยแก่ประเน้นทําอย่างนี้อย่างนี้ก็ก็แห่เขาพาไปก็ให้เขาพาไปก็มลเรื่องอย่างมาไม่ทิฏฐิ <c oughs> ผมบอกอาจารย์พูดอย่างนี้ไม่ถูกกะับนี่บากวกรรมนะครับ <c oughs> พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครั บ, บอาจารย์เราจะนองนั้นเขแกอธิบายวิธี ในในมงคลเลยครับในมงคลมีมีเกี่ยวกับเรื่องวินัยโยจะตุสกิโตอะไรใช่ไหมมีวินัยแลย้วแกบรรยายผิดไปเลยครับผิดไปคนละโอ้ยคือแกมันเอาง่ายง่ายซะจนจนไม่ได้ความเลยครับคือผิดผิดไปเลยแกบอกอย่างในหนังสือเนี่ยจับเอาความผิดแกว่าไม่น่าเขียนอย่างนี้เออนี่ น, นต้องเผอแน่นอนเนี่หันไปซดน้ําชาเน้นลึกเน้นเน้นเลยมาเขียนต่อมั้งตรงนี้แกหวังนี่นนเลยครับโอ้บ่าวกรรมไอ้พวกนี้ เขที่เรียนที่ฟังมาว่าแผลมันก็จํำใจอย่างนี้ครับ ท, ที่ที่เขาพูดกับมันก็จาไปอย่างนี้ครับแค <packages> ่แค่ผมไปจางานเดียวมาเขก็พูดไปอนี้เออนี่ครับเออเออมันเป็นแบบนี้ครับนี่ครับมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็ท่านก็สอนกันมานมนานอยู่ไหมครับ <im> อย่างอาจารย์ทองนี่กัคนสีเกตนี่เจ๊สีเกตแกสอนอยู่วัฒนาะสอนป .4 มาตั้งประมาณสาาณักสิบกว่าปีแล้วเนี่ยครับใครจะไ่เชื่อถือพูดเพราู้ที่เข้าไปเรียนก็ึ้นเข้าไปปีนี้ขึ้นไปปีนี้ขึนปปน้นไปปีนี้กันใช่ไหม แต่จะให้มาเอาวินัยก็ดีธรรมะก็ดีการเดียวก็เทียบเอาองค์ธรรมในพระอาิธรรมกันอย่างนี้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยมาก่อนนี้มหาวิทยาลี่แกยังไม่ได้ขึ้นไปเรียนออภิธรรมทิฏฐาโอเนี่แกบอกเลยเรารู้ว่าเราสอบปรก้าได้แล้วเรารู้ตัวเองว่าข้างในเรากลัวแค่ไหนเรารู้ แล้วแกก็เรียนเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นครับไม่ใช่ว่าอันดับหนึ่งในรุ่นเนี่ยผมว่าเออพวกครูอาจารย์เขาบอกมหาวิทยุก็เป็นหนึ่งในหลายหลายรุ่นที่มีคำถามเจาะเจาะเจาะเจาเ จ, จแล้วก็คิดอะไรละเอียดละเอียดขนาดนั้นมหามิตรยังบอกว่าเราแม่งยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแกยังต้องดิด้นร้นหาเรียนอาขึ้นไปเรียนออะไรอภิธรรมก้าจวย์ใหญ่เรียนแล้วตรงลงมาตอนนี้ชักอาถรรพ์ขึ้นมาหน่อยละเออ เช้โตโน่โตนี่ฮะคือใครถามอะไรหรือใครคุยเน้นคุยอะไรกันถึงเรื่องเหล่านี้่าเข้ากลางวงงานยุ้ยฟังทางนี้นี่อย่างนี้เล่าเัาเดี๋ยวเจ๊กอาถานนะเพอเออเราเรียนแล้วให้มันให้มันได้พูดอย่างนี้ได้เจมปากว่าที่นั่นเขาว่าอย่างนั้นที่นี่ว่าอย่างนี้ที่นี่เปรียบเทียบที่นี่ที่นั่นเอออย่างนี้ใขาแต่ก็ยังกลกงอยู่แกแกแกขวัญขวายท้องอ่างนี่แกมันพระที่เรียนเรียนละเอียดเจ้าครับเรียนละเอียด กําลังทําหนังสือหรือว่าทำแกก็ดีครับทําชิพายไว้ว่าแล้ ว, ยยททยยวขยันครับตอนนี้อยู่ทําโอ้ครับทาโอทําหนังสือเป็นไปทําห้องห้องอะไรห้องห้องห้องพิมพ์ดิจห้องคอมพิวเตอร์หมอวัฒนีครับหมอวัฒนีที่ที่รักษาอาจารย์เป็นหมอตาอันดับหนึ่งของประเทศอ่ะองโยมคนนั้นเนี่ยถวายคอมพิวเตอร์ชุดนึงครับแสนกว่าบาทแกได้เพาป่าไปหกเจ็ดหมื่นเลยไปทําห้อง ขอขอได้ฉุนจันทวิโรธของอาจารย์นะครับที่หลังนั้นหมดเลยแล้วก็กั้นครึ่งหนึ่งเป็นห้องกระจกแล้วก็ทําเป็นห้องห้องห้องพิมพ์ดีห้องแอร์เดี๋ยนี่อยู่ห้องแอร์หามิเดี๋ยนี้ช่างบุญช่างมาไหนอๆอยู่ห้องแอร์อมผมเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปนอนน้องนีนะถ้ามหามิจอยู่นั่นนะอาจารยก์ก็ช่วยอาจารย์ได้เสี้ยนหนึ่งเดี๋ยวก็สอนพระเนนด้วยอะไรด้วย ก, ก็ได้ช่วยนครับเห็นว่าคุณอาลักลกับมาแล้วเอ๊ไม่ใช่สํารักษ ไม่ได้ไม่ได้พาสปอร์ตไปวันนี้มังเลยเลยต้องอยู่จนช่วงผมโทรไปบอกว่าห ย, ยุงเทพอีกห้าวันจะขึ้นไปคือกลับลงมาทาอะไรไม่รนะู้ติดต่อพาสปอร์ตหรืออะไรหร่าไม่รนะู้แล้วก็จะขึ้นไปร อ, รอบนีบที่เขาเวีย น, อนรอจารตกลงกลับมากันเยอะครับถ้าได้เข้ามาก็คงจะไปกันเยอะไปกันเยอะครับ้าคนไม่ไวก็ผมว่า ไม่คอ่อยได้เลยครับเพราะแกเร็วครับเร็วมากมากครับจะพูดบาลีก็ดีพูดอังกฤษก็ดีพูดไทยก็ดีมันเร็วทุกทุกภาษาภาษาพม่าก้วยอ่าภาษาพม่า ก, ก็เร็วแล้วแกก็พูดค่ะค่ะกันพูดดุรรุตขนาดภาษาไทยผมเดี๋ยเดี๋ยวเดียเยขออีกรอบขออีกรอบแล้วตอนเรียนกันเนแต่ผมไม่เคยเรียนเนยผมลงไปฟังแกจนสี่ห้าวันแกสอนอาจารย์ใช้สอนเนนเน้นสอนพิเศษเน้น เน้นก็ไม่กล้าถามไม่กล้าบอกให้คือพูดเร็วสัจนฟังไม่ทันภาษาไทยนี่แหละครับอธิบายสมมติถ้าแกพูดไปเร็วแล้วก็แปรไอคําแปรก็ฟังไม่ทันอธิบายก็ไม่ทันอีกอย่างนี้ก็เลยก็เขียนไปด้วยพูดไปเขียนไปครับพูดไปเขียนไปเขียนเสร็จมาอธิบายพื้นลบพื้นขึ้นต้นใหม่นะครับสอนเร็วครับสอนได้เร็วจริงๆถ้าใครเช่าไอไอปฏิณปัญญาอะไรไหวๆความจําดีๆอะไรชานะดีเร็วไหวๆนะครับเรียนกับแกดีมากเลย ไม่นานจบครับทันใจเลยครับสะใจเลยแหละเพิจบเพิ่งจบเพิ่งจบเพิ่จบเลยครับถามเดียเด๋ยว น, ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ถามเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้พอแกพูดแกตอบสมมติเราเราถามขอที่มาด้วยครับรึรอ่านไปเลยอ่านไปเขียนไปอ่านไว้เขียนไปอ่านไว้เขียนไ ป, ไปให้ที่มาปุ๊บแปลพลิกเกลบ ร, وب, รึเรายังเพิ่งเริ่มหัวได้สองข้ออะ <quan S 2> <c ough> คือมันไวซะจนเบรกไม่ทันครับไม่ทันคิดว่าน hmm. 네ักเรียนเขียนจบหรือยังไม่ทันคิดครับ ขนาดเบรกแล้วเอาเ <S <S ข็นใหม่เข็นใหม่เอาเข็นใหม่ได้ไอ้ไอ้นักเรียนก็จองไอ้ตัวจะจะถึงอ่งนี้ครัเอาแกจบอีกแล้วอะไรอย่างนี้โอ้ยไม่ไหวอย่างนี้ผมบอกว่าจะไปเรียนจบกลับมาแล้วต้องต้องชะลอซะหน่อยนะชะลอคือเบรกเบรกนั่นแหะถ้าจะถ่ายทอดนี่วันยิงไอ้เวลาเวลาเราเรียนเราไวดีนะแต่ถ่ายทอดนี่มันต้องต้อ ง, องบางทีคนอื่นเขาไม่ได้ไวเหมือนเราหรอกไม่ได้ไวพูดเร็วครับไอ้ชัดนี่คงไม่ค่อยชัดครับ ภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดพม่าก็ไม่ค่อยชัดอังกฤษแกก็พูดเร็วครัอังกฤษแกก็เร็วบาลีก็แล้วก็อะไรก็ไอ้กี่กี่สิสวนมาผมเลยลืมไปเลยสอครับในวัดอ่ะอเอาเช่นจะถามถึงอะไรอะ่ะอ้ออ้อผลไม้ อ, อ, อ, ม อ, ยอย่างนี้ถ้าถ้าเราเราประกาศกันไว้ในบทเราสวดประกาศกันไว้ในบทนะครับว่า ผลาไม้ในวัดนะเราประกาศให้เป็นเป็นสาธารณะเลยนะครับพิสูจองค์ใดจะฉันถ้ามีสัมเณีนแล้วใช้กับวิญญาณวานันสัมเณีถวายหรือโยมถวายหรือหรือเนรจะเก็บกินเองโดยไม่ได้รับอนุญาตโยมจะเก็บกินเองก็ก็ก็เป็นสาธารณะทั่วไปอย่างนี้อย่างนั้นก็ของเหล่านั้นไม่มีโทษแล้วเออทีนี้วง ว, วกมาที่ที่ฉันรถถามเนาะอาหารทํางไงถึงยังมีเอดีเดี๋ยวจะไปประมวลเอาตรงนี้ ถ้าถ้าเราทํากติกากันไว้สวดประกาศกันไว้อย่างนี้แล้วอ่าจะเป็นสมณเณรก็ดีพระองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีหรือโยมก็ดีเข้ามาเห็นมะม่วงเห็นอะไรก็แล้วแต่ในวัดต้องเก็บกินเลยอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีโทษอะไรครับไม่คนจะไม่รู้ว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวกันว่ายุรู้หรือไม่รู้หมายถึงพระทําทกติกากันไว้อย่างนี้ <c oughs> แต่โยมมีจิตคิดจะขโมยกินเลยถ้าขโมยก็เป็นขโมยไปสิครับเป็นอาทินาทานไปสิครับไม่ได้เกี่ยวกันนี้อันนั้นเขามีเจตนาขโมย คำว่ากินของสงในที่นี้นี่ท่านหมายเอาแค่ไหนครับกินของสงเอากินว่าเอาเอาของสงกินของสงเขาท่านชอบโยกคือพระเจ้ากินพิษสันโอไอ้นุ่นของที่เขาถวายสงเป็นสังฆทานอย่างนี้ใช่ไหมครับไออย่างนี้อย่างนี้สมมุติว่าเขาถวายเข้ามาเราเป็นสังฆทานใช่ไหมครับแล้วโยก็มีเจตนาสมมุติว่าถวายอย่างนี้แล้วก็ลากมาลาอกมาจัดใช่ไหมยกมากินซะก่อนเลยอันนี้ดีไว้เอาก่อนไว้พราอยากกินได้อย่างนี้ฮะ คือคือทําก่อนกินก่อนอะไรอย่างนี้เก็บไว้ยังไม่ได้กินหรือเก็บยึดเป็นของตัวไปอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็เป็นของของแต่ไอ้ไ อ, อ้ที่เราทําผลไม้ทําของที่มันอยู่ในวัดไม่ผมไม่ไผ่เออผลผลไมกลูกมากลากไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราทํากันอย่างนี้แล้วทําอย่างนี้ให้มันเป็นสาธารณะนะครับให้เป็นสาธารณทั่วไปแก่พิสุเลยสมณเนนอะไรอะไ ร, อะไรก็แล้วแต่แล้วก็โยมจะเก็บกินก็เราไม่ต้องไปว่าไม่ได้ไปว่าคือไม่ สงยกล้าให้มันเป็นของสธาธารณะไปเลยไม่ว่าแล้วยมก็ไม่มีโทษไม่มีโทษครับเพราะสงทําแล้วทํำวินัยกรรมกันแล้วครับส่วนนี้ทําแล้วเพราะเราไม่ได้เปปลุกใจอยู่ในสิ่งใดอย่างนี้ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะครับของนั้นเป็นของสงเราสมมติว่าเราเป็นพระเป็นส่วนหนึ่งในสงแหละครับจู่ๆจะไปเก็บบางทีไม่ได้ครับไม่ได้ต้องขอก่อนขอกับสงขอกัอนก่อนขอกันมาแล้วก็มา เอามากินตัวเองคนเดียวนะครับเราต้องขอก่อนหรือไม่ก็อ้าวพอมันออกดกเต็มที่มันแก่เต็มที่อ่าถึงถึงปีมาเราไม่ได้ทํำพอถึงปีมาก็เราก็เอาอ้าววันนี้ได้โอกาสแล้วมังมันพอดีแล้วมังอ่าสัมเทานทำให้มันสมควรดิแล้วก็มาฉันร่วมกันอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมครับมังองไหนนะเฉพาะพวกเราหรืออ้าวสงยกให้อ่าต้นนูนนะสัมเทานต้นนู้ น, เ, น, น, น, นเป็นของสัมเทานไปเลยสี่ต้นริมนู้น ในลุยไปเลยครับทางโน้นส่งยกใหอ้อย่างนี้ครับแต่ถ้าเรา ท, ทําทำซะก่อนมันเลยถาวรไปตลอดเลยอย่างนี้อย่างนี้ในเอกสาแนะนําว่าถ้าคราวาดคนๆหรือจะเป็นเนรเป็นอะไรไปในวัดอาวาสที่ต่างถิ่นแล้วที่นั่ น, น่ะเคยเป็นที่อยู่ของผ้าผู้ทรงวินัยผู้ ผ, ผู้ผู้รู้ทางนี้แล้วก็ฉันผลไม้เหล่านั้นได้โดยไม่ต้องสงสัยเลย คือไม่ต้องเครียดแขงในใจเลยคือมั่นใจได้เลยว่าท่านทำไว้แล้วหมายว่าอย่างนั้นครับท่านท่านแนะนําอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้อสองผู้รู้แล้วก็ถ้าถ้ามันมีมันมีของนี้ก็ป้องกันก็ทําไว้ก่อนก็ดีท่านท่านแนะนําให้ทําไว้ถ้าไม่ได้ทําำถ้าสงรักษามันชักยาวไปเลื่อยๆนั้นนองถ้ามีมีผลไม้หลายต้นมากนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีคนดูแลมันก็จะตายมันก็จะเสียประโยชน์ ไปคือไม่ได้อยู่ได้กินได้อาศัยร่มไม่ได้ผลไม้มาแล้วครับก็ยกหน้าที่ให้สําเนนอาเนนจะบอกมันมาไมได้พวกนี้มันรู้มากแลมันเอาเปรียบเราเนนอ่าเนี่ยนะตรงนี้มันมีสีต้นทั้งหมดนะสมมติเอามีทุเรียนอยู่สีต้นเนนช่วดดูแลรักษานั้นคอยให้ปุ๋ยบ้างให้น้ําบ้างนะคอยดูแลรักษาเวลาออกลูกแล้วก็คอยดูแลแล้วกั น, นเนนก็ แล้วก็สงก็สงก็ยินยอมอ่าวแล้วเราให้เธอต้นหนึ่งเออต้นหนึ่งเธอจะไปกินจนตายแล้วจะส่งไปให้แม่บ้างให้พ่อบ้างก็ไม่ว่าอะไรเดีเป็นสิทธิ์ของเธอเธอจะเอาไปทําอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเธอแล้วเป็นค่ารักษาอ้าวเน้นไม่มีให้พิกซุหนุ่มให้พิกษุหนุ่มถามดูใ น, ในในที่อยู่ด้วยกันองค์ไหนจะพอช่วยรักษาได้บ้างเพื่อไม่ให้ของสงมันเสียหายไปไม่ให้มันตายไปอามีองค์ใดรับขึ้นมาก็ อ่างั้นตรงนี้เป็นส่วนของท่านตรงนี้เป็นส่วนของสูงอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วก็ยังไม่มีใครเอาเลยคือมันเยอะมันระบาดต้องตักน้ำไกลบางตองอะไรไม่มีใครทำเลยอ้ายกให้เธอจะเป็นพิกสุนุมหรือสามเณรกันดียกให้เธอทั้งหมดเลยเธอรักษาแล้วยกให้เธอหมดเลยค่าของเหล่านั้นที่มันผลมันออกมาถ้าเธอได้ค่าอะไรมาก็แล้วแต่เธอต้องบารุงปุติที่อยู่ที่เธออยู่ ต้องบูรณะซ่อมแซมกุฏิวิหารที่เธออยู่อาศัยเนี่ยแล้วตรงนั้นนเป็นของเธอหมดเลยเธอทําให้สมควรแล้วกันเวลาจะาเอามาไอ้ไอ้ซ่อมแซมบุรณะปฏิสังขรกุฏิที่เธออยู่นี่ยกให้เลยครับแต่แต่มีข้อแม้เธอต้องซ่อมแซมกุฏิที่อยู่ด้วยน ะ, นะมากไว้วันนั้นกุฏิที่อยู่มีหลายหลังมีพระอยู่น้อยภิกษุภิกษุผู้อยู่สองสององค์มีองค์งงงแก่องคไม่ไหวซ่อมแซมลักสา 3, ไม่ไหวบอกออางั้นเรายกให้เธอเนี่ยยกให้เธอ ยกให้เธออยู่หลังใหญ่เลยแล้วแต่เธอต้องดูแลหลังพวกนู้นด้วยที่สุดนั้นไม่ไหวโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินปวดก็จะกินอนุนก็จะกินนัน้น น, นี่ก็ยังโอ้ไม่ไหวแล้วอนุญาตเออเธอขายสองหลังนู้นจะมาบำรุงหลังนี้คือรักษาอย่างน้อยให้มันเหลือไว้ก็ยังดีดีกว่ามันกินทั้งหมดหมายความอย่างนั้นอยู่องคเดียวไม่ไหวอ้าวขายมันทั้งสองหลังมาบารุงไว้สี่หลังก็ยังดีครับทําได้อย่างนี้คือขายคือเออผมใช้คำว่าขายแต่จริงๆมันไม่ใช่ขายครับคือมัน ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะผาดิกรรมไปอ่าให้คนมาผาดิกรรมมาครับนี่ครับอย่างนี้ก็ยังยังควรอยู่ไม่ใช่ขายวัดกินนะครับคือมันกันดานหรือ ม, มันมันมันไม่มีคนอื่นมาบํารุงให้เราเราจําเป็นต้องทําอย่างนั้นไม่ไม่ต้องอาบัตรอะไรครับอย่างนี้กับชื่อว่ารักษาของสงด้วยนะครับมันออกไปไกลเหลือเกินแล้วว่าอ่ามาที่อาหารของท่านลดอ่าว่าถ้าเขาถวายมาอย่างนี้ทํำยังไงถึงถึงจะไม่ไม่เป็นฮะ อไม่เป็นโทษก็โยมสมมุติว่าเราเร า, เราฉันไอเราตักตักเอาในที่อื่นไม่ได้ตักเอามันต้องเอาส่วนส่วนส่วนมากนะส่วนมากที่นุน่นเขาทํำไงเป็นวงอ่ะเป็นว ง, นวงฉันฉันมันก็วงใครวงมันเนี่ยมันก็ไปเหลือเอาพอฉันเสร็จแล้วกันโยมก็ยกไป อ, อ, กไอ่าพอฉันเสร็จโยมก็ยกไปจะอย่างนี้ก็ดีอย่างนู้นก็ดีฟังยิงแล้วมันเหมือนพอฉันเสร็จแล้วก็ยกไปเขา เข้าใจกันว่าถ้าพระไม่บอกไม่บอกออคืนให้ไม่บอกให้นะครับก็ฉันแล้วชื่อว่าฉันของสงศ์ใช่ไหมครับคือของนั้นยังเป็นของสงอยู่ก็ผูกใจกันว่าฉันแล้วจะตกนรกนะครับฉันแล้วจะตกนรกถ้าอย่างนี้ถ้าเขามีความเข้าใจอย่างนี้เราเราชี้แจงเขาฟังแล้วเราก็ควรแนะนําเขาอย่างนี้ว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นโยมเวลาพระฉันแล้วนะพระท่านจะ อนุญาตอันท่าเราที่นี่นะเราบอกกันไปเลยที่นี่ถ้าตักของเน้นสุดแล้วเป็นมือเพนอย่างนี้ใช่ไหมครับอนุญาตไปเลยเป็นของโยมไปเลยหรืออนุญาตเลยใครจะเอาก็ได้ไม่มีโทษกติกาของที่นี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ให้รู้กันอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็หมดไปครับหมดไปอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอ้าวมันมันเป็นโดยปริยายมันไม่ใช่ขาดประเกคนแต่มันเป็นไปโดยปริยายเช่น อ้อย่างของเราเดี๋ยวเราทํากันอยู่อพระตะกพระตักพระตักพระตักพอสุดพระอ้าวเนนของเนนแล้วนะตังเนนเนนใบนี้เป็นของเนนไปแล้วนะอย่างนี้เราให้เนนหรือเ่าตอนนั้นเราให้เนนหรือเป่าหลายหลาหลหลหลมาเราให้เนนห่าครับใช่เราให้เนนการให้เนนเป็นการขาดขาดประเคนใช่ไหมครับมันเป็นของเนนนะครับเป็นของเนนเพราะงั้นเนมก็หลายหลายหลายหลาไปเนมมันเอาหมดแล้ว ที่ไอตอนให้เนนมันเป็นของสงไหมครับไม่เป็นอ่ามันไม่เป็นของสงใช่ไหมครับมันหลายหลายหลายตอนให้เนนที่เนนเนนเกิดไม่งกอย่างเนนวัาเรากินวัด ก, ก็กินเฉพาะกรพาะนึงเนี่ยครับมันไม่ทางงที่เหลือก็เลยโยมก็เลยทานกันได้เพรา ะ, ะั้นชื่อว่าโยมกินของสงหรือกินต่อของเนนเนนนก็ให้โยมอีกเออนั่นนี่เลยมันกินของใครไะกินของที่เราให้แล้วเออมันก็กินของที่เราให้แล้วครับ